การปฏิบัติธรรมตามคำสอนของพระพุทธเจ้านี้จะมีแบ่งไว้เป็นสองระดับด้วยกันคือหนึ่งระดับโลกิยะและสองระดับโลกุตระระดับโลกิยะนี้ก็คือระดับ ที่ยังติดอยู่ในโลกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดยังติดอยู่กับการเกิดแก่เจ็บตายมีการเจริญแล้วก็มีการเสรื่อมไปเป็นธรรมดาระดับโลกุตระนี้เป็นระดับที่จะหลุดออกจาก โลกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดผลที่ได้จากการปฏิบัติธรรมขั้นโลกุตระจะไม่เสื่อมจะมีอยู่ไปกับจิตใจไปตลอดแต่ก่อนที่จะเข้าสู่การปฏิบัติธรรมขั้นโลกุตระได้ก็ต้องผ่าน ทำขั้นปฏิบัติทำขั้นโลกยะก่อนการปฏิบัติทำขั้นโลกีะก็แบ่งไว้เป็นสองระดับด้วยกันคือระดับนักบุญกับระดับนักบวชระดับนักบุญก็คือการทำทานและการรักษาศีลห้า ผลที่ได้ก็จะได้สวรรค์ชั้นเทวโลกแต่เป็นผลที่จะต้องเสื่อมเช่นทำบุญทำทานแล้วก็รักษาศีลห้าไปตลอดชีวิตพอตายไปก็จะได้รับผลของการปฏิบัติธรรมครั้งนี้ คือได้ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นเทวโลกแล้วบุญที่ได้นั้นก็จะค่อยเสื่อมไปค่อยจางไปเหมือนกับน้ำเย็นที่เอาออกจากตู้เย็นความเย็นก็จะค่อยค่อยจางไปหายไปจนกลับมาเป็นอุณภูมิของห้อง อุณหภูมิของห้องกับอุณหภูมิของตู้เย็นนี้มีความต่างกันอุณหภูมิในตู้เย็นนี้เย็นกว่าอุณหภูมิของห้องพักที่อยู่อาศัยเวลาเอาน้าออกจากตู้เย็นออกมาตั้งไว้ข้างนอกตู้เย็นความเย็นก็จะค่อยๆจางหายไปแล้วก็จะกลับมา เย็นเท่ากับอุณหภูมิของห้องที่อยู่อาศัยฉัน้นใดการทำทานการรักษาศีท่าก็จะส่งให้จิตไปอยู่สวรรค์ชั้นเทวโลกชั้นต่างๆขึ้นอยู่กับปริมาณการทำทานและการรักษาศีลว่าทำมากทำน้อย แต่จะมากหรือน้อยก็จะต้องเสื่อมไปหมดไปก็จะต้องตกลงจากสวรรค์กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่อันนี้คือการปฏิบัติของนักบุญผู้แสวงบุญชอบทำทานชนิดต่างๆเช่นไปกราบไหว้ครูบาอาจารย์ไปฟังเทศฟังธรรม แล้วก็ถวายภาพป่าถวายสังฆทานร่วมสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์สร้างวิหารสร้างอะไรต่างๆด้วยการบอยจากทรัพย์ของตนนี่เรียกว่าทานแล้วก็รักษาศีล5เป็นปกติเป็นนิจศีลไม่ต้องมา อาราธนากันทุกวันพระผู้ที่ถือศีลห้าเป็นนิจสินจะรู้ว่าตอนเองนี่กำลังรักษาศีลห้าอยู่ตลอดเวลาถ้าปฏิบัติอย่างนี้ได้ก็จะได้รับผลของของการปฏิบัติคือได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นเทวโลก ถ้าอยากจะขยับขึ้นสู่สวรรค์ชั้นพรมหมโลกที่มีความสุขมากกว่ามีความละเอียดกว่าและมีความทนกว่าทนทานกว่าสวรรค์ชั้นเทวโลกก็ต้องฝึกหัดบำเพ็ญสมถะ ภ, ภาวนาควบคู่ไปกับการรักษาศีลแปดศีลของนัก บ, บวช ศีลแก็ได้ศีลสิบก็ได้ศีลสอง้ก็ได้ศีลสามรอยกว่าข้อก็ได้ศีลจะช่วยสนับสนุนในการบาเพ็ญสมถภ า, าวนาคือการนั่งสมาธิทำใจให้สงบทำใจให้รวมเป็นอัปปนา <c oughs> นี่เรียกว่าการปฏิบัติในระดับนักบวช ขั้นโลกิยะคือขั้นที่ได้มาแล้วก็จะต้องเสื่อมไปเช่นพระอาจารย์ของพระพุทธเจ้าสองรูปก็ได้ออกบําเพ็ญอยู่แบบนักบวชรักษาศีลของนักบวชแล้วก็เจริญสติเพื่อให้จิตเข้าสู่ความสง บ, บเข้าสู่ฌานระดับต่างๆฌานระดับ รูปฌานและฌานระดับอรูปฌานพอเวลาตายไปจิตของท่านก็จะไปอยู่บนสวรรค์ชั้นพรหมโลกชั้นต่างๆกันไปตามกำลังของฌานที่ได้บำเพ็ญมาแล้วฌานนั้นก็จะค่อยเสื่อมลงไป พอเสื่อหมดไปก็จิตก็จะเลื่อนลงสู่สวรรค์ชั้นเทวโลกแล้วก็จะเลื่อนลงสู่ชั้นมนุษย์ตามลำดับต่อไปแล้วก็ต้องกลับมาบาเพ็ญโลกิยะใหม่โลกิยะธรรมกันใหม่เกิดมาก็ทำบุญทำทานรักษาศีลห้าแล้วก็พัฒนาสู่ศีล8ศีลนัก บ, บวช ออกบวชแล้วก็บำเพ็ญสมถะภาวนาเจริญสติเพื่อให้ใจเข้าสู่ความสงบในระดับอัปปนาสมาธินี่คือการปฏิบัติขั้นโลกิยะในยุคที่ไม่มีพระพุทธศาสนามาปรากฏให้เป็นที่พึ่งเป็นอาจารย์ชี้แนะว่ายังมีทาขั้นสูงกว่านี้อยู่ คือทำขั้นโลกุตระทำที่จะไม่มีวันเสื่อมเมื่อได้มาแล้วจะมีแต่พัฒนาให้สูงขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงขั้นสูงสุดทำนี้จะปฏิบัติได้ต่อเมื่อมีพระพุทธเจ้ามาทรงตรัสรู้แล้วมาประกาศพระธรรมคำสอนแก่สัตว์โลก อย่างพระพุทธเจ้าของพวกเราหลังจากที่พระองค์ได้ทรงตัดสรุแล้วในเบื้องต้นก็ไม่มีความยินดีที่อยากจะประกาศสั่งสอนสัตว์โลกให้ปฏิบัติเพื่อให้ได้เข้าถึงโลกุตรธรรมได้หลุดพ้นจากวัตตะแห่งการเวียนว่ายตายเกิดเพราะทรงพิจารณาแบบ ผิวเผยว่าเป็นสิ่งที่ยากสำหรับบุคคลทั่วๆไปที่จะต้องสละชีวิตของคาววดแล้วออกบำเพ็ญชีวิตของนักบวชจึงไม่มีความยินดีที่อยากจะประกาศสั่งสอนพระธรรมให้แก่สัตว์โลกแต่หลังจากที่ได้ทรงค่ายควรวน ด้วยเหตุด้วยผลก็ทรงเห็นว่าสัตว์โลกคือบุคคลต่างๆนี้มีระดับพระบารมีความรู้ความสามารถที่จะปฏิบัติตามคำสอนไม่เท่ากันมีแบ่งไว้เป็นสี่จำพวกที่เรียกว่าบัวสี่เหล่าพวกที่พร้อมที่จะรับคำสอน และเข้าสู่ทำขั้นโ ก, กุตละได้อย่างรวดเร็วก็มีอยู่หนึ่งพวกซึ่งมีจำนวนน้อยที่สุดพวกที่สองก็เป็นพวกที่พร้อมที่จะรับคำสอนไปปฏิบัติและต้องใช้เวลาปฏิบัติสักระยะหนึ่งก็จะพร้อมที่จะบรรลุได้พวกที่สามก็เป็นพวกที่ พอที่จะน้อมเอาไปปฏิบัติในขั้นนักบุญก่อนคือแล้วค่อยขยับเข้าสู่ขั้นนักบวชต่อไปก็ต้องใช้เวลามากกว่าขั้นที่หนึ่งพวกพวกที่หนึ่งและพวกที่สองแต่ก็ยังมีโอกาสที่จะเข้าสู่ทมในระดับโล ก, กุตระธรรมได้ หลุดพ้นจากวัตฏะแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้นี่เป็นบุคคลสามจำพวกที่อยู่ในวิสัยที่จะรับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ส่วนบุคคลกลุ่มที่สี่นี้เป็นบุคคลที่จะไม่สามารถรับพระธรรมคาสอนไปปฏิบัติได้เพราะจะไม่มีศรัทธา ไม่มีความเชื่อว่าจะมีโลกุตละมีการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเพราะมีมิจฉาทิฏฐิที่คิดว่าเวลาที่ร่างกายตายไปแล้วชีวิตก็จบสิ้นลงที่ตรงนั้นไม่มีอะไรต่อไปเป็นพวกที่ไม่รู้ว่า นอกจากร่างกายแล้วตนเองยังมีจิตใจจิตใจที่กระทำบุญและบาป ท, ที่จะต้องไปรับผลของบุญและบาปต่อไปมองเห็นเพียงแต่ร่างกายก็เลยคิดว่าเมื่อร่างกายนี้ตายไปแล้วก็ถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็จบลงทำบุญมากน้อยเพียงไรทำบาปมากน้อยเพียงไร ก็ไม่มีผลตามมาต่อไปบุคคลพวกนี้ก็จะไม่สนใจที่จะรับคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนให้ทำบุญละบาปและชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์เพราะคิดว่าเป็นเรื่องงมงายตายไปแล้วไม่มีผู้ที่จะมารับผลของการกระทำเหล่านี้ ทำไปทำไมให้เสียเวลาเปล่าๆตายแล้วก็ศูนย์สู้ทำตามความโลภความอยากดีกว่าอยากได้อะไรก็หามาอยากทำอะไรก็ทำไปโดยไม่คำนึงถึงวิธีการของการกระทำว่าจะสร้างความทุกข์สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นหรือตนเองมากน้อยเพียงไร เพียงแต่ขอให้ได้ทาเท่านั้นบุคคลกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่พระพุทธเจ้าจะไม่สามารถสงเคราะห์ได้ทรงเปรียบเหมือนกับบัวที่อยู่อยู่ติดดินที่กาลังเพิ่งจะเจริญขึ้นมาจะไม่สามารถที่จ ะ, จะเจริญเตกบโตโผล่ขึ้นมาเหนือน้าได้เพราะจะถูก ปูปูปากัดกินเป็นอาหารไปหลังจากที่ได้ทรงพิจารณาก็ทรงมุ่งไปสู่บุคคลกลุ่มแรกก่อนกลุ่มที่สามารถที่จะน้อมเอาคําสอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติได้อย่างรวดเร็วและบรรลุผลได้อย่างรวดเร็วบุคคลที่ทรงลําลึกถึงก็คือพระอาจารย์สองรูป ได้ได้เคยทรงศึกษาและได้เรียนรู้วิธีการเข้าสู่ฌานขั้นต่างๆคือเข้าสู่ฌานในระดับรูปฌานและอารมูปฌานแต่ก็ทราบมาว่าพระอาจารย์ทั้งสองรูปเพิ่งเสียชีวิตไปในระยะอันไม่นานมานี้เองพระองค์จึงทรงตรัสว่าน่าเสียดายเป็นอย่างมากเพราะ พระอาจารย์ทั้งสองรูปนี้เป็นผู้ที่พร้อมที่จะก้าวเข้าสู่ทำระดับโล ก, กุตละได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วแต่ต้องมาเสียชีวิตไปก่อนก็เลยพลาดโอกาสที่จะได้รับประโยชน์จากพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ยังจะต้องติดอยู่กับ วัตตะแห่งการเวียนว่ายตายเกิดต่อไปอีกไม่รู้เป็นเวลายาวนานเท่าไหร่กว่าจะดุดพ้นได้นี้จะต้องได้พบกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งนานๆจะมาปรากฏให้โลกได้รับไปศึกษาและไปปฏิบัติกันสักครั้งหนึ่ง นี่คือเป็นความน่าเสียดายแต่จะทําอย่างไรได้มันเป็นเรื่องสุดวิสัยพระพุทธเจ้าก็ไม่สามารถที่จะติดตามไปสอนเพราะท่านเข้าไปสู่ในระดับพรหมโลกระดับพรหมโลกนี้ก็ไม่รับรู้ไม่รับทราบไม่ติดต่อกับดวงจิต ด, ดวงอื่นไม่เหมือนกับบุคคลที่ ไปเกิดในเทวโลกในเทวโลกนี้ยังสามารถรับฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าได้อย่างพวกเทวดาที่มาฟังเทศน์ฟังธรรมเป็นประจำในตอนค่งคืนตอนที่พระพุทธเจ้าทรงดํานุดลดํารงพุท ธ, ธกิจโปรดพระโปรดพวกเทวดาทั้งหลายก็ทรงสามารถโปรดพุทธมารดาได้ พราะพุทธมารดานี้หลังจากที่ได้เสด็จสวรรคตไปแล้วก็ได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นเทวโลกพระพุทธเจ้าจึงสามารถติดต่อกับจิตของพระพุทธมารดาได้สามารถสั่งสอนอบรมให้เข้าสู่โลกุตระธรรมได้ได้บรรลุโลกุตระธรรมขั้นที่หนึ่ง คือขั้นพระโสดาบันไดเมื่อได้ขั้นที่หนึ่งแล้วก็จะสามารถบำเพ็ญไปได้ตามลำพังจะมีพระอาจารย์มีพระพุทธเจ้ามาคอยสอนหรือไม่ก็ไม่เป็นประเด็นแล้วเพราะได้รู้แนวทางรู้ทางที่จะพาไปสู่โล ก, กุตตรธรรมขั้นสูงสุดแล้วคือขั้นพระนิพพานแล้วเพียงแต่ต้องบำเพ็ญไป เดินทางไปเท่านั้นเราก็จะได้ถึงพระนิพพานอย่างแน่นอนได้หลุดพ้นจากวัฏฏะแห่งการเวียนว่ายตายเกิดอย่างแน่นอนนี่คือเรื่องของธรรมขั้นโลกุตตระที่นานๆจะมาปรากฏให้โลกได้เรียนรู้ได้ปฏิบัติกันเพราะต้องรอเวลาให้มี พระโพธิสัตว์อย่างเจ้าชายสิทธัตถะมาออกบาเพ็ญเป็นสัมมณโัตมะและศึกษาปฏิบัติธรรมจนได้ตัสรุระอนุตตระสัมมาสัมโพธิญาณได้เห็นธรรมที่จะยกจิตให้เข้าสู่ระดับโลกุตระได้ก็คือได้เห็นอริยสัตตี ได้เห็นทุกขสมุทยัยนิโรธมรรคที่มีอยู่ในใจของพระองค์เองและของสัตว์โลกทั้งหลายจึงสามารถดังนับดับความทุกข์ใจและต้นเหตุของความทุกข์ใจที่เป็นเหตุคอยดึงสัตว์ดึงใจของสัตว์โลกให้ไปเกิดแก่เจ็บตายด้วยการเจริญมรรคคือ ทานศีลภาวนาในขั้นระดับโลกุตระในเบื้องต้นก็ถ้ายังไม่ได้เจริญในระดับโลกิยะก็เจริญในระดับโลกิยะไปก่อนทำทานมันทาทานอยู่เรื่อยๆรักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์พอได้ทำระดับนักบุญแล้วขั้นต่อไปก็ขยับขึ้นสู่ โลกียธรรมในระดับนักบวชก็คือวันพระก็ถือศีลแปด ล, ละเว้นจากการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายซึ่งเป็นความสุขระดับของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนั่นเองแล้วเข้าสู่การหาความสุขในระดับของพรมก็คือการหาความสงบ ที่เกิดจากการบาเพ็ญส ม, มถภาวนาด้วยการเจริญสติอย่างต่อเนื่องวันพระก็เข้าวัดรักษาศีลแปดเดินจงกรมนั่งสมาธิงดเว้นกิจกรรมทางตาหูจมูกลิ้นกายไปหนึ่งวันก่อนเป็นการชิมรางเป็นการทดลองกำลังดูว่าจะสามารถ บำเพ็ญปฏิบัติได้หรือไม่ถ้าลองทำจริงๆแล้วทุกคนก็จะสามารถทำได้อยู่ที่ว่าจะทำหรือไม่ทำเท่านั้นถ้าทำมันก็ต้องทำได้เพราะว่ามันไม่ได้เป็นของยากเย็นอะไรถ้ารักษาสีลห้าได้เพิ่มสีลอีกสามข้อจะไปยากเย็นตรงไหนการจเจริญสติก็จะไม่ยากถ้าไปอยู่ ในวัดที่สงบสงัดวิเวกไม่มีกิจกรรมอะไรต่างๆไม่มีการคุกคีกันต่างคนต่างแยกกันอยู่ตามลำพังใช้เวลาที่อยู่ตามลำพังนี้มาควบคุมความคิดปรุงแต่งควบคุมอารมณ์ต่างๆไม่ให้ปรากฏขึ้นมาถ้ามีสติจเจริญ อ, อยู่เรื่อยๆ ความคิดตรุงแต่งก็จะไม่สามารถเกิดขึ้นมาได้อารมณ์ความอยากต่างๆก็จะไม่เกิดขึ้นมาใจก็จะว่างเย็นจะสบายแล้วถ้านั่งเฉยๆนั่งหลับตาจะนญสติต่อไปอย่างต่อเนื่องไม่ช้าก็เร็วใจก็จะรวมเข้าสู่อัปปนาสมาธิเข้าสู่ความสุขในระดับพรหมโลกได้ นี่ก็เป็นขั้นต้นของการบำเพ็ญโลกิยธรรมขั้นนักบวชพอได้วันหนึ่งแ ล, แล้วได้สัมผัสกับความสุขที่ได้จากความสงบก็จะเกิดฉันทะวิริยะขึ้นมาที่อยากจะปฏิบัติเพิ่มอยากจะได้ความสุขแบบนี้เพิ่มมากขึ้นก็จะหาเวลาเข้าวัดมากขึ้น อยากอาทิตละวันก็เพิ่มเป็นสองวันสามวันตัดการแสวงหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายตัดการแสวงหาบุญของนักบุญคือยุติการไปตามสถานที่ต่างๆไปทาบุญตามสถานที่ต่างๆไปก็ไปตั้งหลักอยู่ภาวนาเลยไม่ใช่เพียงแต่ไปเพื่อทาบุญเสร็จก็ เดินทางต่อไปอย่างนั้นยังเป็นการหาความสุขทางตาหูจมูกขึ้นไปควบคู่กับการไปทําบุญทําบุญแล้วอาจจะแวะตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆซื้อข้าวซื้อของรับประทานอาหารขนมนมเนยอะไรต่างๆควบคู่กันไปถ้าจะเข้าสู่ทําในระดับนักบวชกิจกรรมของ นักบุญนี้ก็ต้องยุติลงถ้าจะทำบุญทำทานก็ทำที่วัดที่ตอนเองอยู่อาศัยหรือทำที่ไหนก็ได้ในสมัยนี้โอนเงินง่ายเพียงเขียนเช็คเพียงกดอะไรเท่านั้นก็สามารถที่จะทำบุญได้แล้ว ถ้าไม่สะดวกหรือไม่มีจะทําก็ไม่ต้องกังวลถ้าได้เข้าสู่ธรรมของขั้นนักบวชแล้วให้กังวลอยู่กับการบําเพ็ญเจริญสติเพื่อให้ได้อัปปนาสมาธิเท่านั้นอย่าไปกังวลกับเรื่องทําบุญตอบทาบุญทําทานนอกจากสะดวกและมีเหตุที่ให้ต้องทําก็ทําไป ถ้าไม่มีเหตุไม่ต้องทาก็ไม่ต้องทำก็ได้เพราะการทําบุญในระดับนั้นสู้การเจริญสติเพื่อทําใจให้เข้าสู่ความสงบไม่ได้ผลแตกต่างกัน ร, ราวฟ้ากับดินความสุขระดับของเทวโลกกับความสุขของพร ม, มโลกนีต่างกันเหมือนฟ้ากับดินถ้าเราได้เข้าสู่ ทมของขั้นนักบวชแล้วก็ไม่ควรไปกังวลกับกิจกรรมของนักบุญให้บำเพ็ญหน้าที่ของนักบวชคือให้ปีกวิเวกไม่คลุกคลีกันไม่ออกไปถามสถานที่ต่างๆเพื่อรับรูปเสียงกลิ่นโนดพทธพะเข้ามาให้ปีกวิเวกอยู่ในป่าในเขาตามวัดป่าวัดเขาเดินจงกรมนั่งสมาธิ จริอนสติในทุกิริยาบทของการเคลื่อนไหวแล้วก็นั่งสมาธิเพื่อทำให้จิตรวมเป็นอัปปนาสมาธิให้ได้ถ้าได้ก็จะถือว่าได้เข้าสู่ทาระดับพรหมโลกแล้วได้ผลของโลกิยะธรรมขั้นสูงสุดแล้วคือขั้นพรหมโลกแต่ถ้าไม่บำเพ็ญต่อไป ถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาก็จะติดอยู่ตรงนี้เหมือนกับะ้าจารย์ของพระพุทธเจ้าสองรูปที่ติดอยู่สวรรค์ชั้นพรหมและเมื่อเสื่อมจากสวรรค์ชั้นพรหมก็จะกลับลงมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เกิดมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ก็จะบำเพ็ญแบบที่เคยบำเพ็ญมาในอดีตก็จะไปสู่ระดับชั้นพรมโลกเท่านั้น จนกว่าจะได้มาพบกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือสามารถามีดวงตาเห็นธรรมได้ด้วยตนเองคือสามารถตัดสรรุเป็นพระพุทธเจ้าได้ด้วยตนเองก็จะได้เข้าสู่ทมขั้นโลกุตระดังนั้นถ้าเราได้บำเพ็ญทมขั้น โลกิยะขั้นสูงสุดได้แล้วคือจิตสามารถเข้าสู่สมาธิขั้นอัปปนาได้แล้วขั้นต่อไปก็จะต้องก้าวเข้าสู่ทำขั้นโลกุตตะทําขั้นโลกุตต ะ, ะนี้ก็มีอยู่8ปดเขั้นด้วยกันที่เรียกว่ามรซีผลซีนิพานหนึ่งมร ก, ก็คือเหตุ การบาเพ็ญเหตุที่จะทำให้เกิดผลขึ้นมามักผลขั้นแรกนี้เรียกว่าโสดาปฏิมักโสดาปฏิผลผู้ที่จะเข้าสู่ขั้นโสดาปติมักปฏิผลได้ต้องผ่านขั้นอัปปนาสมาธิก่อนเพราะถ้าไม่มีอัปปนาสมาธิ จะไม่มีกําลังที่จะเจริญโสดาปัติมักได้โสดาปัติมักก็คือการพิจารณาขันหานี้องพิจารณารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณให้เห็นว่าเป็นอนิจจงทุกขังอนัตตาเพื่อที่จะได้ละสากายทิฏฐิคือความเห็นผิดเป็นชอบเห็นว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ เป็นนิจจังสุ ข, ขังอัตตานี่คืองานที่จะต้องพิจารณาอย่างต่อเนื่องทุกลมหายใจเข้าออกยกเว้นเวลาที่เข้าไปพักในสมาธิเท่านั้นถ้าออกจากสมาธิมานี้จะต้องพิจารณารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตลอดเวลาถ้าไม่มีกําลังถ้าไม่มีอปปนาสมาธิ กิเลสตัณหาจะไม่ได้รับการตัดกำลังลงไปกิเลสตัณหาก็จะดึงใจให้ไปหาเรื่องราวต่างๆที่กิเลสตัณหาหิวโหยต้องการจะเสดจะดึงให้ไปหาเรื่องราบยศสรรเสริญหาเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสผลพทพะก็จะทำให้ไม่สามารถที่จะพิจารณา ขันห้าได้อย่างต่อเนื่องการพิจารณาขันห้าก็ต้องพิจารณาทีละขันไปแยกกันไปคือมีขันอยู่สองส่วนส่วนรูปประขันกับส่วนนามขันส่วนรูปประขันก็คือร่างกายต้องพิจารณาว่าร่างกายต้องเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนี่คือพิจารณาอนิจจัง ต้องเห็นว่าร่างกายนี้ต้องแก่ไปเรื่อยๆเวลาเกิดมาใหม่ๆก็เป็นทารกแล้วก็ได้รับอาหารได้รับธาตุสีดินน้ำลมไส่ได้ดื่มน้ําได้รับประทานอาหารที่เป็นธาตุดินได้หายใจที่เป็นธาตุลมได้สัมผัสกับความร้อน ก็ทำให้ร่างกายเจริญเติบโตขึ้นมาตามลาดับจนกลายเป็นผู้ใหญ่จากผู้ใหญ่ก็กลายเป็นผู้สูงอายุจากผู้สูงอายุก็กลายเป็นผู้แก่และผู้ตายไปตามลาดับพิจารณาให้เห็นว่าร่างกายคือรูปประคันนี้ไม่เที่ยงต้องเป็นอย่างนี้แป่นอนัตตาก็คือห้าม เขาไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายไม่ได้ยับยั้งความแก่ความเจ็บความตายไม่ได้เป็นธรรมชาติของร่างกายที่ไม่มีใครจะมาสั่งได้จะมาห้ามได้เรียกว่าเป็นอนัตตาไม่ได้เป็นของใครทั้งนั้นร่างกายนี้ถ้าอยากจะรู้อยากจะเห็นว่าร่างกายนี้ ไม่ได้เป็นตัวเราของเราท่านก็สอนให้เราแยกอาการสามสิบสองออกมากองไว้เป็นกองๆแยกผมไว้กองหนึ่งแยกขนไว้กองหนึ่งแยกหนังไว้กองเนื้อไว้กองเอนไว้กองกระดูกไว้กองอวัยวะต่างๆแยกไว้กองหนึ่งน้ำชนิดต่างๆก็แยกกันไว้ใส่ขวดไว้เหมือนกับพ่อค้าที่ขายเนื้อ ชำแะในตลาดสดนั่นแหละเขาก็ชำและร่างกายของสัตว์ที่เขาเอามาขายเนื้อหนังเขาก็ไว้ส่วนหนึ่งเอาวิทยะต่างๆเขาก็แยกไว้ส่วนหนึ่งกระดูกซี่โครงต่างๆเขาก็แยกไว้ส่วนหนึ่งอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเราแยกอาการสาสิสองออกมาเป็นกองๆแล้วลองไล่ไปดูว่าตัวเรา นี้อยู่ในส่วนไหนของอาการสาสิบสองนั้นเราก็จะไม่พบว่ามีตัวเราอยู่ในอาการสามสิบสองนั้นเลยอยู่ในผมเหรออยู่ในขนเหรออยู่ในเล็บหรออยู่ในฟันเหรออยู่ในเนื้อเอ็นกระดูกเหรออยู่ในหัวใจอยู่ในตับอยู่ในปอดอยู่ในลำไส้เหรออยู่ในเลือดอยู่ในน้ำหนอง น้ำเหลืองหรืออยู่ในปัสสวะอยู่ในอุจจาระหรือพิจารณาแบบนี้เพื่อที่จะได้เห็นอย่างชัดเจนเหมือนกับเราอยากจะค้นของที่มีอยู่ในกระเป๋ากุญแจเราหายไปเราไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนถ้าเราคิดว่ามันอยู่ในกระเป๋าเราก็ต้องเทของในกระเป๋านั้นออกมาให้หมดจะได้รู้ว่ า, ากุญแจนั้นมันอยู่ในกระเป๋านั้นหรือเปล่า พอเทออกมาหมดแล้วก็ดูของที่เทออกมาแต่ละชิ้นหรือว่าชิ้นไหนเป็นกุญแจบ้างถ้าไม่พบกุญแจอยู่ในกระเป๋าอยู่ในกองที่ของที่เทออกมาก็รู้ว่ากุญแจนี้ไม่ได้อยู่ในกระเป๋านี้ก็ต้องไปหากุญแจในที่อื่นไม่ได้ลืมไว้ในกระเป๋าว่าอาจจะลืมไว้บนโต๊ะเอลืมไว้บนเอ ที่นั่งเก้าอี้ตรงไหนก็ได้หรือทำหลนตรงไหนก็ได้เนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเราคิดว่าตัวเรานี้อยู่ในร่างกายเราก็ต้องเทเ อ, อวัยวะต่างๆองค์ประกอบของร่างกายต่างๆออกมาให้หมดเพื่อจะได้รู้ว่าตัวเราอยู่ในร่างกายนี้ตรงไหนถ้าทำอย่างนี้อยู่เรื่อยๆแล้วมันก็จะเห็นชัดเลยว่าไม่มีตัวเราอยู่ในร่างกาย เป็นเพียงความรู้สึกนึกคิดของเราเท่านั้นเองที่ไปคิดว่าอยู่ในนั้นเหมือนกับที่เราไปคิดว่ากุญแจของเรานี้อยู่ในกระเป๋าพอเทกระเป๋าออกมาก็จะไม่เจอกุญแจเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในกระเป๋ามันเป็นเพียงความรู้สึกนึกคิดของเราที่เราจะต้องพิสูจน์เพื่อจะได้หายสงสัยพอเรารู้แล้วว่ากุญแจไม่ได้อยู่ในกระเป๋าเราก็จะได้ไปหา กุญแจที่อื่นต่อไปฉันใดใจก็ไม่ได้อยู่ในร่างกายเมื่อเรารู้แล้วเราจะได้เบาใจสบายใจว่าเวลาร่างกายเป็นอะไรไปเราไม่ได้เป็นอะไรไปกับร่างกายเราก็จะเห็นร่างกายของเรานี้เหมือนกับเราเห็นร่างกายของผู้อื่นเวลาร่างกายของผู้อื่นของเป็นอะไรไปเราไม่เดือดร้อนฉันใดเราก็จะไม่เดือดร้อนกับเวลาที่ร่างกายนี้ ของเรานี้เป็นอะไรตายฉันนั้นเพราะเราเห็นแล้วว่าร่างกายของเรากับร่างกายของผู้อื่นก็เหมือนกันมีน้ำหนักเท่ากันเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันเราไม่ทุกกับร่างกายของผู้อื่นเราจะมาทุกกับร่างกายของเราทำไมมันก็เป็นของชั่วคราวเหมือนกันถ้ามันไม่ได้เหมือนกันถ้าอยากจะให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย ก็จะต้องเกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมาซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากจะพบกันไม่อยากจะได้กัน เ, เมื่อเห็นด้วยปัญญาอย่างชัดเจนว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราก็จะได้เลิก ก, กังวลเลิอกอยากเพราะอยากไปก็ห้ามมันไม่ได้อยากให้มันไม่แก่ก็ห้ามมันไม่ได้อยากให้มันไม่เจ็บไข้ได้ป่วยก็ห้ามมันไม่ได้ อยากไม่ให้มันตายก็ห้ามมันไม่ได้ก็จะสามารถละอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายละปัญหาความอยากในร่างกายได้อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของสักกายทิฏฐิอีกส่วนหนึ่งที่ต้องละก็คือนามขันหรือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเราก็ต้องศึกษา เขาให้ทําความเข้าใจว่าเวทนาสัญญาสังขารนี้เป็นอะไรและมีคุณสมบัติอย่างไรสิ่งที่เราจะสัมผัสอันแรกก็คือวิญญาณวิญญาณนี้เป็นตัวที่เชื่อมใจกับร่างกายนี้เองเวลาที่เราอยากจะทราบข้อมูลต่างๆที่ได้รับผ่านทางร่างกายนี้ เราต้องมีวิญญาณไปเป็นผู้รับข้อมูลมาเช่นจักขุวิญญาณก็ต้องไปรับข้อมูลทางตามาโสตะวิญญาณก็ไปรับข้อมูลทางหูทางทางหูมาวิญญาณนี้ก็จะมีอยู่ห้าไปรับทางทวารทั้งห้าคือทางตาหูจมูกริ้นกายเวลาตาเห็นรูปวิญญาณก็จะรับข้อมูลนั้น ส่งมาที่ใจใจก็จะสั่งให้สัญญาเป็นผู้ไปวิเคราะห์ดูว่ารูปที่มานี้เป็นรูปของใครรูปของพ่อของแม่ของพี่ของน้องของเพื่อนหรือของศัตรูคู่อะไรคู่ต่อสู้พอเห็นแล้วพอรู้แล้วว่าเป็นรูปของใครก็จะเกิดเวทนาขึ้นมา จะเกิดสุขขึ้นมาหรือเกิดทุกข์ขึ้นมาหรือไม่สุขไม่ทุกข์ขึ้นมาขึ้น <ı a few> อยู่กับสัญญาความจาว่ารูปนั้นดีหรือไม่ดีหรือกลางๆถ้าดีก็จะเกิดสุขเวทนาขึ้นมาถ้าไม่ดีก็จะเกิดทุกขเวทนาขึ้นมาถ้าเป็นกลางๆไม่ดีไม่ชั่วก็จะเป็นเวทนากลางกลางคือไม่สุขไม่ทุกเวทนา พอเกิดเวทนาแล้วสังขารความคิดปรุงแต่งก็จะมาทำหน้าที่ต่อทันทีถ้าดีก็จะเกิดปรุงคิดปรุงแต่งไปในความอยากได้อยากให้สิ่งที่ดีอยู่กับเราคนเอาเงินมาให้เราเราก็อยากจะให้เขาอยู่กับเราไปนานๆคนที่มาทวงหนี้เราเราก็อยากจะให้เขาตายไปเร็วๆก็จะเกิดความคิดปรุงแต่งขึ้นมา ตามเวทนาทางความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากการไปรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสผลทพะชนิดต่างๆอันนี้ก็ต้องมาแก้ไขใหม่เพราะว่าสัญญาไปจำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงไปจำว่าดีหรือไม่ดีดีก็ไม่ดีก็ไม่ความจริงดีก็ไม่ดี ไม่ดีก็ไม่ดีเช่นไปมองเห็นคนที่เราชอบว่าดีความจริงมันก็ไม่ดีเพราะคนที่เราชอบเขาก็ต้องแก่เจ็บตายเขาก็เป็นอนิจจังเขาก็ต้องมีวันเสื่อมมันหมดไปเขาต้องมีวันที่จะ ต, ต้องจากเราไปถ้าเห็นว่าเขาเป็นอนิจจังเห็นว่าห้ามเขาไม่ได้ห้ามแม่เขาจากเราไปไม่ได้ เราก็จะได้ไม่ไปตรุงแต่งอยากจะได้เขามาอยากจะให้เขาอยู่กับเราไปนานๆเพราะถ้าอยากให้เขาอยู่กับเราไปนานๆก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเช่นเดียวกับเวลาที่เราเห็นภาพที่เราไม่ชอบเราก็อยากจะให้หายไปเร็วๆเราก็ไปสั่งเขาไม่ได้สั่งให้เขาตายวันนี้พรุ่งนี้เขาก็ยังไม่ยอมตาย เราก็จะทุกทุกครั้งที่เราจะต้องเห็นหน้าเขาเจอเขาอันนี้เราต้องหยุดสังขารความคิดปรงแต่งว่าเราไปห้ามเขาไม่ได้เขาเป็นอนิจจังทุกขังอนาาัตตาเหมือนกันอยากให้เขาไปเขาไม่ไปเราก็จะทุกข์ใจขึ้นมาเพราะเราไปสั่งเขาไม่ได้ห้ามเขาไม่ได้นีก็คือการพิจารณาเมตนา เวลาเกิดสุข เ, ขเวทนาจากการสัมผัสรับรู้จากทวารทั้งห้าเป็นสุขเป็นทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์ก็ให้รู้เฉยๆอย่าไปอยากให้เขาอยู่หรืออยากให้เขาไปเพราะเราสั่งเขาไม่ได้ห้ามเขาไม่ได้เช่นเวลาร่างกายเกิดอาการเจ็บปวดตามส่วนต่างๆเนื่องจากเจ็บไข้ได้ป่วย หรือว่านั่งสมาธิไปนานๆแล้วก็เกิดอาการเจ็บขึ้นมาก็ต้องสอนสัญญาสังขารว่าให้พิจารณาให้ตรงตามความเป็นจริงว่าเวทนานี้ก็ไม่ใช่เราเป็นอนัตตาเราห้ามเขาไม่ได้เขาเป็นอนิจจังไปสั่งเขาไม่ได้สั่งให้เขาหายทุกข์ก็ไม่ได้เวลาเขาสุขสั่งให้เขาสุขไปอย่างเดียวก็ไม่ได้ เขาต้องเปลี่ยนไปตามเหตุตามปัจจัยต่างๆให้ให้ใจพิจารนาว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าพิจารนาเวทนาว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็จะหยุดสังขารความคิดปรุงแต่งไปในทางความอยากได้ก็จะไม่ิจาไม่อยากให้หายไปหรืออยากจะให้อยู่ พอไม่มีความอยากความทุกข์ใจในอริยสัจสี่ก็ไม่ปรากฏขึ้นมาก็จะเห็นธรรมว่าความทุกข์ใจนี้เกิดจากความอยากของใจและเหตุที่ทำให้เกิดความอยากก็คือการไม่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในขันห้านี้เองพอพิจารณาขันห้าว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาตลอดเวลาเห็นตลอดเวลาว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา เวลาขันห้าเป็นอะไรไปเวลาร่างกายเป็นอะไรไปเวลาเวทนาเป็นอะไรไปใจจะสักแต่ว่ารู้เพราะไม่อยากจะสร้างความทุกข์ขึ้นมาเพราะถ้าเมื่อเกิดความอยากให้ร่างกายเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ให้เวทนาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาแล้วก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรร่างกายก็ยังต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ตามเรื่องของเขา เวทนาก็ต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ตามเรื่องของเขาพอเห็นอย่างนี้ก็จะเห็นอริยสัจสี่ชัดเจนว่าทุกข์นี้เกิดจากความอยากของตนเองและความอยากของตนเองก็เกิดจากความหลงที่ไม่เห็นขันห้าไม่เห็นรูปเวทนาว่าเป็นอันนี้จังทุกขังอนัตตา น, นั่นเองนี่พอเห็นแล้วทีนี้ก็หยุดความอยากเสียพอหยุดความอยากนะ ก็จะไม่มีความทุกข์กับร่างกายกับเลทธนายต่อไปร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเลทธนายจะสุขจะทุกข์จะไม่สุขไม่ทุกข์ก็จะไม่เป็นปัญหาอย่างไรนี่คือการละต ก, การยาทิฏฐิผู้ที่ละได้แล้วก็จะละสิลพัตตปรมา่ได้เพราะเวลาคนเราที่ไปทำกิจกรรมนอกคำสอนของพระพุทธศาสนา ก็เพราะคิดว่าจะสามารถมาดับความทุกข์ใจของตนได้ทุกข์ใจที่เกิดจากเรื่องของร่างกายและเวทนานี้เองเวาเวลาเกิดความสูญเสียมันก็สูญเสียแล้วก็เกิดความทุกข์ใจเกิดเวทนาทุกเวทนาขึ้นมาก็อยากจะไม่ให้สูญเสียเพื่อจะได้ไม่ให้เกิดทุกขเวทนาขึ้นมาแต่ความจริงไป ถ้าไม่ได้ไปสั่งไม่ได้เรื่องของการสูญเสียเรื่องของการพัดผ่าจากของที่เราลักเราชอบเพราะของที่เราลักเราชอบมันก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันถึงเวลาเขาก็จะต้องมีการพัดผ่าจากเราไปหรือต้องพบกับสิ่งที่เราไม่ชอบมันก็แบบเดียวกันมันก็จะทำให้เกิดทุก ข, ขเวทนาทุกขเวทนาขึ้นมา แล้วถ้าเราไม่ชอบสุขทุกขเวทนาอยากจะให้มันหายไปก็จะเกิดทุกขในอริยสัจขึ้นไหม่เราก็จะไม่ไปทำพิธีกรรมอะไรต่างๆนอกคำสอนของพระพุทธเจ้าเราจะแก้ปัญหาด้วยการใช้ปัญญาใช้มรรคใช้การพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาในทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำให้เกิดทุกขเวทนาขึ้นมาแล้วก็ ทำใจให้อยู่กับทุกขเวทนานั้นเช่นล้มละลายสูญเสียทรัพสมบัติเข้าของไปเกิดความทุกขเวทนาขึ้นมาพราะสูญเสียลูกเสียงกลิ่นรสที่ชอบไปก็อยู่กับทุกขเวทนานั้นอย่าไปอยากให้ทุกขเวทนานั้นหายไปมันจะทุกขกับทุกไปแต่ใจเราอย่าไปทุกขกับมันเท่านั้นเองใจของเราก็จะไม่มีทุกขในอริยสัจสี่เกิดขึ้นมา ทุกนาฬ ย, ย า, าสัตย์สี่นี้มันรุนแรงกว่าทุกขของทุกขเวทนาดังนั้นถ้าเราดับทุกในอริยาาสัจสี่ได้ด้วยการละความอยากด้วยการพิจารณาตายรักในสิ่งที่เราสูญเสียไปได้ใจของเราจะไม่ทุกแล้วทุกขเวทนานี้จะไม่เป็นปัญหากับใจของเราสูญเสียก็สูญเสียไป พระที่มาบวชเขาก็สูญเสียไปทําไมเขาอยู่ได้เขาก็ไม่มีทรัพสมบัติเก้าของเงินทองไม่มีบุตรไม่มีที่ดาม่มีสามีไม่มีภรรยาทําไมเขาอยู่ได้เขาไม่เดือดร้อนทําไมเราทำไมจะอยู่ไม่ได้ที่เราอยู่ไม่ได้เพราะเราโง่นั่นเองเราไปเกิดความอยากขึ้นมาอยากให้สิ่งที่เรารักเราชอบนี้ไม่พัดผ่าจากเราไปเท่านั้นเองพอเราฉลาดเราก็ปล่อยวางมันจะไปก็ไป มันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่ห้ามมันได้อย่างไรนี้ก็จะละเรื่องพิธีกรรมต่างๆได้จะไม่ไปทําพิธีกรรมไปสเสดาะเคราะไปหาหมอดูไปเปลี่ยนชื่อไปเปลี่ยนทรงผมไปทําอะไรต่างๆเพราะว่ามันไม่ได้เป็นปัญหาไม่ได้เป็นวิธีแก้ปัญหาปัญหาอยู่ที่ใจอยู่ที่ความหลงที่ไม่เห็นไตรลักษณ์ เมื่อเห็นตายแล้วก็จะไม่มีความอยากให้สิ่งต่างๆเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อะไรจะเกิดขึ้นก็รับได้รับได้อะไรจะเจริญก็รับได้อะไรจะเสริมก็รับได้ก็ไม่ต้องไปทำอะไรก็สักแต่ว่ารู้ไปเท่านั้นเองนี่คือผู้ที่รัสักการะที่ถีได้แล้วไม่ต้องไปทำพิธีกรรมต่างๆไม่ต้องวงสวงขอสิ่งนั้นสิ่งนี้จากเทวดงเทวดาวันสงการนี้ก็ไม่ต้องมาบรบกวน พระอาจารย์มาให้สงน้ําให้มาสงน้ําให้พระอาจารย์สงไปมันจะได้ไรน้ามันน้ํามันจะวิเศษขึ้นมาได้อย่างไรถ้ามันวิเศษก่อนนี้ก็วิเศษกันไปนานแล้สงกันมากี่ปีแล้วมันก็เหมือนเดิมนีนะ่คือเรื่องของการละสกกายะทิฏฐิจะละพอละได้แล้วก็จะละศีละพัตตปัลละมาได้ละความนังเลสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้ เพมีดวงตาเห็นธรรมแล้วเห็นอริยสัจสีแล้วเห็นธรร ม, มันเดียวกันกันกบที่พระพุทธเจ้าส่งรู้ส่งเห็นก็จะรู้ว่าพระพุทธเจ้าก็มีจริงเพราะพระพุทธเจ้าเป็นคนสอนเรื่องอริยสัจ ส, สีนี่มีใครมาสอนได้ก็มีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวพอเห็นอริยสัจ ส, สีก็จะไม่สงสัยว่าพระพุทธเจ้ามีจริงหรือไม่มีจริงและผู้ที่เห็นก็จะเป็นใครถ้าไม่ใช่เป็นพระอริยสง์ ผู้ที่บรรลุโสดาปติมัคโสดาปติผลนั่นเองก็จะได้เข้าสู่ธรรมขั้นที่หนึ่งแล้วพอเห็นว่าทุกทั้งหมดนี้เกิดจากปัญหาความอยากและความอยากเกิดจากความหลงอา น, นิจจังทุกขังอนัตตาทำ ข, ขั้นต่อไปก็จะดําเนินไปในรูปแบบเดียวกันต้องพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอา น, นิจจังทุกขังอนัตตาไปหมดหรือพิจารณาว่าเป็นอสุภะไม่สวยไม่งาม แล้วก็จะละตัณหาต่างๆไปได้หมดตั้งแต่ระดับขั้นฟัสกิดาคามีอนณาคามีละพะอาหาร์ก็จะใช้แนวทางในการบำเพ็ญแบบเดียวกันใช้เครื่องมือชนิดเดียวกันเพียงแต่วัตถุที่จะต้องแก้ไขต่างกันไปเท่านั้นเองขั้นศกิดาคามีอนณาคามีก็ติดอยู่ที่กามราคะนี้เองติดในการอารมณ์ เห็นรูปร่างกายหน้าตาสวยงามก็เกิดอารมณ์ขึ้นมาก็ต้องพลิกหน้าตาร่างกายที่สวยงามนี้ให้กลายเป็นซากศพไปได้ต้องเห็นหรือแวกร่างกายออกมาดูส่วนที่มันไม่น่าดูที่มีซ่อนอยู่ข้างในออกมาพอเห็นส่วนที่ไม่สวยไม่งามแล้วการอารมณ์มันก็จะดับไปนี้จะเห็นตลอดเวลาหรือไม่นี้คือประเด็นที่จะต้องมาทํากันถ้าเห็นได้ บางเวลาบางเวลาไม่เห็นได้ท่านก็บอกว่าบรรลุขั้นที่สองคือทําให้เบาบางลงไปได้ถ้าอยากจะบรรลุขั้นที่สามก็คือต้องเห็นตลอดเวลาเห็นร่างกายของใครนี้จะต้องเห็นว่าเป็นซากศพทันทีเห็นเห็นหนังหุ้มกระดูกทันทีถ้าเห็นกระดูกเห็นโครงกระดูกแล้วใครอยากจะอยู่ใกล้บ้างนี่มันพ่อมองไม่เห็นกันมีหนังปกปิดเอาไว้ จึง ท, ทำให้เกิดการมาลมขึ้นมาแต่ถ้าพิจารณาสุภาอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาตั้งแต่ออกจากสมาธิมานี้ต้องพิจารณาอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งมันฝังอยู่ในใจไม่หลงไม่ลืมทุกครั้งที่เห็นร่างกายหรือทุกครั้งที่จะเกิดการมลลมขึ้นมาอสุภานี้จะต้องมาดับทันทีถ้าดับได้การมลลมก็จะไม่มีปัญหาต่อไป นี่ก็เป็นขั้นของพระอนาคามีขั้นพระอาหารหันต์ก็ต้องไปแก้ปัญหาที่มีอยู่ห้าข้อในการที่เรียกว่าสังโยชน์เบื้องบนก็คื อ, อยังมีปัญหาความอยากในรูปประชานในรูปอรูปประชานในมานะการถือตัวในอุทธัจจะความฟุ้งซ่านในการอยากที่จะสาเร็จเร็วๆสําเร็จ <c oughs> ก็จะเร่งความเพียรแบบ สดตรงจนกระทั่งจิตเกิดความฟุ้งซ่านขึ้นมาไม่มัชชิมาไม่พอดีการบำเพ็ญนี้จะต้องสลับกันระหว่างสมถะและวิปัสสนาพอเวลาใจหมดกําลังแล้วก็ต้องพักเข้ามาในสมาธิถ้าดันทุลังทําต่อไปก็จะไม่เกิดประโยชน์จะเกิดแต่ความฟุ้งซ่านขึ้นมาแล้ก็ต้องไปพิจารณาอริยสัจ ท, ที่มีอยู่ในจิตนั้นนี้ เช่นพี่เรียกว่าอาวิชชาไม่เห็นอริยสัจที่ยังมีหลงเหลืออยู่ในจิตการพิจารณาและปล่อยวางสังโยต์ทั้งห้านี้ได้ก็จะกําจัดความทุกข์ทั้งหลายที่มีอยู่ภายในใจได้หมดไปอย่างถาวรใจก็จะหลุดพ้นจากการกลับมาเกิดแก่เจ็บตายไม่มีวันที่จะต้องมาแก่มาเจ็บมาตายเพราะผู้ที่ดึงให้ใจมาเกิดแก่เจ็บตายนั้นได้ ถูกทำลายไปหมดแล้วนั่นเองนี่คือเรื่องของการเจริญทำขั้นโลกุตตะรมะักที่เป็นธรรมที่ทำให้ต้องทาให้หลุดพ้นจากการที่จะต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอย่างทาวอยดังนั้นพวกเราผู้ปฏิบัติก็ขอให้เราพิจารณาดูขั้นตอนของเราว่าตอนนี้เราอยู่ขั้นไหน ควรจะปฏิบัติให้มันถูกขั้นถูกตอนให้มันเพราะมันแต่ละข่านแต่ละตอนนี้มันจะสนับสนุนกันจะปฏิบัติแบบตามใจชอบไม่ได้อยากจะบรรลุเร็วๆก็ไม่ทำทานไม่รักษาศีลไม่นั่งสมาธิจะดูจิตอย่างเดียวนีมันดูยังไงก็ไม่มีวันที่จะหลุดได้เพราะไม่รู้ว่าดูอะไรเสียด้ซ้ไปพวกที่ดูจิตนี้ถามว่าดูอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันว่าดูอะไร ดูกิเลสดูกิเลสดูกิเลสมันตายแล้วล่าจากการดูมันก็ไม่ตายมันก็ดูมากี่ปีมันก็ยังมีอยู่อย่างนั้นแหละเพราะไม่ได้ดูที่เหตุที่ทําให้เกิดกิเลสขึ้นมาดัางนั้นเราต้องปฏิบัติตามขั้นตอนที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราปฏิบัติกันอย่าอวดดีอวดเก่งกว่าพระพุทธเจ้าถ้าเป็นถ้า ถ้าทําอย่างที่เราคิดว่าทําได้พระพุทธเจ้าก็สอนเรามานานแล้วไม่ต้องมาสอนให้เรามาเหนื่อยกับการทําบุญทําทานมารักษาศีลห้าแล้วก็มาอยู่วัดมารักษาศีลแปดมาปฏิบัติสมาธิกันจนกว่าจะออกบวชได้มันเป็นขั้นเป็นตอนทําจากง่ายไปหายากถ้าเราทําแล้วรับรองได้ว่าทําตามขั้นตอนแล้วเราก็จะเจริญก้าวหน้าไปตามลาดับ จนในที่สุดก็จะถึงขั้นสูงสุดได้เหมือนกับเวลาที่เราเรียนหนังสือเวลาเราเริ่มต้นเรียนเราก็ไม่ได้ไปสมัครเรียนที่มหาลัยเราไปสมัครสอบเข้าอนุบาลก่อนสมัยนี้เข้าอนุบาลยังต้องมีการสอบก่อนสอบเข้าอนุบาลได้แล้วก็สอบเข้าชั้นประถมจากชั้นประถมก็ชั้นมัธยมเดี๋ยวนี้มีสอบแทบทุกระดับเลยว่ามีการแข่งขันสูง โรงเรียนมีน้อยโรงเรียนดีๆมีน้อยคนก็อยากจะเรียนโรงเรียนดีๆกันก็ต้องแข่งขันกัน ก, ก็ต้องเรียนไปตามระดับหรือ ว, ว่าจะข้ามขั้นก็ต้องไปสอบในแต่ละขั้นถ้าเป็นเด็กอัฉริยะบางทีก็จะสามารถสอบข้ามขั้นได้เด็กบางคนนี้อายุ12 13ขวบก็เข้ามาหาหลัยได้ก็มีนี่เป็นเพราะว่าเขามีความรู้ความสามารถ ที่ติดตัวเขามาอยู่แล้วเขาสามารถเรียนในระดับที่เด็กที่อายุเดียวกันนี้ไม่สามารถเรียนได้อันนี้ก็เป็นกรณียกเวน้นกรณีพิเศษการปฏิบัติธรรมก็มีผู้ที่มีกรณียกเวน้นกรณีพิเศษบางคนเป็นระดับคารวะญาติโ ย, ยมแต่พอฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าก็บรรลุเป็นพระอาหารหันต์ได้เลยก็มีเหมือนกันแต่น้อยไม่ใช่เป็น ปกติเป็นหนึ่งในร้านอย่างนี้เป็นต้นปกติแล้วทุกคนก็ต้องทำปฏิบัติจากขั้นต่ำไปสู่ขั้นสูงอย่างนั้นก็ขอให้ท่านจงนำเอาเรื่องของธรรมะปฏิบัติที่ได้แสดงไว้ในวันนี้ไปพิพจารณาและปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าที่จะตามมาต่อไป การแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พอรอยะถ า, าวาริวาาปุราปาริปุเรนติสาขลงเอวเมวะอิตโตทินางเปตานาังอุปกปฏิอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเปเมวะสนิจตุสัเพปุเรนตุสังกะปา จันโทปณะระโสยธามณนิโชติระโสยธาสพิติโยวิวาจานตุสัพพโรโววินัสตุมาเตภวตวันตายโยสุขีทีคายุโกภะอภิวาธนศีลิสะนิจังวุธาปจายิโนจตารโธรมมวัานติ อายุวโนสุขังภาลาัาลำดับต่อไปนี้ก็จะเป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านผู้ใดยอยากจะถามปัญหาธรรมก็ขอเชิญขึ้นมาถามผ่านทางไมโครโฟนเพื่อที่จะได้ยินทั้งคำถามและคำตอบได้อย่างชัดเจนเชิญถามได้ กลบเรียนถามพระอาจารย์นะะหนูนั่งสมาธิแล้วมันง่วงนะคะ ม, มีวิธีแก้อย่างไงล่ะคะก็ลุกขึ้นมาเดินก่อนถ้าถ้ายังง่วงก็เดินให้มันหายง่วงหายง่วงแล้วค่อยกลับไปนั่งถ้ายังง่วงลุกขึ้นมาเดินก็จะล้มจะหลับก็ต้องไปอยู่ที่น่ากลัวอยู่แถวป่าช้าก็ได้แล้วความง่วงมันก็จะหายไปหรือถ้าไม่กล้าไปป่าช้าก็ต้องอดอาหาร อย่างน้อยการภาวนานี้ก็ต้องถือศีลแปดคือต้องไม่รับประทานอาหารเย็นรับเพียงเที่ยงวันก็พอพอหลังจากรับประทานเที่ยงวันไปแล้วบ่า ย, าย อ, อาการง่วงเหงาหานอนก็จะหมดไปถ้ารับประทานอาหารเย็นมันก็จะง่วงต่อถึงสองสามทุ่มพอถึงนั้นก็อยากจะนอนหลับดงนั้นถ้าอยากจะภาวนาไม่มีปัจุปสรคเกี่ยวกับเรื่องของความง่วงเหงาหานอนก็ต้อง ผ่อนอาหารลดปริมาณการรับประทานอาหารลงไปตามลําดับจนอาจจะต้องถึงขั้นอดอาหารเป็นเป็นวันวันไปก็ได้ถ้าภาวนาแล้วได้ผลดีไม่ง่วงเหงาเหานอนก็จะเห็นคุณค่าของการผ่อนอาหารของการอดอาหารนะหรือถ้าอดผ่อนไม่ได้ออดไม่ได้ก็ต้องไปาหาที่น่ากลัวอยู่ข้อสอบมันยากๆนะกว่าจะได้ผลเนี่ย มันไม่มาง่ายๆนะอ่ามีอีกไหข้อเดียวเลยอ่อาใคอยากจะถามอ่า อ, อยากทราบวิธีการพิจารณาธรรมมาครับพระอาจารย์ตามหลักของมาสติีประธานสี่สูตรครับจะต้องจําเป็นจะต้องไล่จากบัพพะแรกไปจนถึงบัพพะสุดท้ายหรือเปล่าครับมันก็เป็นข้อข้องไงเหมือนทาข้อสอบเนี่ยมันก็มีหลายข้อ เราก็ทำข้อที่ง่ายก่อนที่เราทำได้ได้เลยว่าเรารีบทำอันนั้นก่อนข้อที่ยากเราข้ามไปก่อนไม่งั้นเดี๋ยวจะเสียเวลาการทำข้อสอบก็เหมือนกันข้อไหนมันง่ายเราก็ทำข้อนั้นก่อนข้อร่างกายมันง่ายกว่าข้อเวทนาเราก็ทำข้อร่างกายไปก่อนข้อวิทนามันง่ายก็ทำไปมันยากก็ต้องแล้วแต่กำลังของเราแต่ที่พระเจ้าเรียงมานี่มันเป็นขั้น ง่ายยากไปแล้ว <tinc S 2> ขั้นแรกข้นง่ายก็ร่างกายขั้นที่สองก็เวทนาขั้นที่สามก็จิตขั้นที่สี่ก็ทำพระพุทธเจ้าทรงวางข้อสอบให้พวกเราทําตามลําดับแล้วไม่ต้องไปกังวลตอนนี้ผ่านร่างกายให้ได้ก่อนผ่านร่างกายได้แล้วค่อยเข้าไปเรื่องร่างของเวทนาเรื่องของเวทนาผ่านเวทนาแล้วก็เข้าไปเรื่องของจิตเรื่องของจิตเรื่องของธรรมตามลําดับต่อไป อวันนี้มาถามเองลเลยเลยถามพระอาจารย์เขาว่าการตัดตอนทุกในอริยศาสตร์เนี่ยตัดตัดตอนขั้นตอนกระบวนการทํางานของสังขารใช่ไหมคะอย่างเช่นนั่งแล้วเจ็บเราก็ไม่ไปคิดต่อว่าไม่อยากให้มันหายหรือทรมานกับมันหรือว่าเสียงรบกวนภายนอกเช่นเสียงโทรศัพท์มือถือที่ญาติธรรมในความร่วมมือในการปิดที่มารบกวนอย่างเงี้ยก็มีสองวิธีไง หยุดสังขารความคิดตรุงแต่งชั่วคราวเช่นคิดอยากให้คนนั้นทําอย่างนั้นทำอย่างนี้แล้วมันทุกข์ก็หยุดอย่าไปคิดมันด้วยการบริกรรมพุทโธแทนพุโทโธพุธโทพธโธไปด้วอท่องมนสวดมนไปไม่ให้ไปคิดถึงคนนั้นคนนี้ไม่ให้ไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันก็จะหยุดสังขารความคิดปรุงแต่งไปทางความอยากได้ชั่วคราวความทุกข์ก็จะหายไปชั่วคราว แต่ถ้าอยากจะให้มันหาอย่างถามวอนก็ต้องบังคับให้มันคิดไปในทางความจริ ง, ส, งสังขารมันชอบคิดไปในทางของปลอมคิดไปตามสัญญาปลอมสัญญาจะเห็นว่าทุกอย่างเป็นนิจจังสุขขังอนัตตาทุกอย่างเราสามารถสั่งให้มันให้ความสุขกับเราได้แต่ความจริงมันตรงกันข้ามกันมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราสั่งทุกอย่างให้ความสุขกับเราไม่ได้ เวลามันทุกเราจะสั่งให้มันหายไปก็มันไม่ยอมหายเนีเราต้องสอนใจให้พิจารณาไปว่าทุกสิ่งทุกอย่างเขาเราไปสั่งเขาไม่ได้ห้ามเขาไม่ได้เช่นเมื่อกี้เราบอกมีปัญหากับเรื่องคนนั้นคนนี้ไปสั่งให้เขาไม่มีปัญหากับเราเราสั่งเขาไม่ได้แต่เราสั่งเราให้ไม่ให้ไปมีปัญหากับเขาได้ก็ยอมรับเขาว่าเขาต้องเป็นอย่างนี้เราไปแก้เขาไม่ได้ พอเราไม่ไปแก้เขาเราก็ไม่ต้องมีความอยากอยากจะให้เขาหายไปหายเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไปใจของเราก็จะหายทุกมันก็เป็นการแก้ที่สังขารนี่แหละด้วยด้ว ย, ด, วยด้วยอุบายของสมาธิของสติหรือของปัญญาถ้าของสติก็บริกรรมพุโทโธให้ถี่ไปเลยอย่าไปคิดถึงเรื่องใครเลยพุโทโธพุโทโธพุโทโธอย่างเดียวให้มันขาดใจตายไปกับพุโทโธ อันนี้จังทุกครั้งนัตตาไปก็ได้จนกว่ามันจะหยุดหยุดคิดปุงแต่งถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้อยากได้ให้ได้อย่างนั้นได้อย่างนี้แล้วความทุกข์ใจก็จะหายไปแต่มันพอเราหยุดปั๊บเดียวพอเราเผลอมันก็กลับขึ้นมาได้มาใหม่ได้ถ้าอยากจะไม่ให้มันกลับมาเลยก็ต้องพิจารณาว่าเขาเป็นตายรักสิ่งต่างๆเป็นตายรักห้ามเขาไม่ได้สั่งเขาไม่ได้อยากให้ก็เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันไม่ได้ ต้อยอมรับให้ตามความเป็นจริงของเขาตอนนี้ก็เป็นอย่างนี้ก็เอาอย่างนี้และตอนนี้เขาเป็นอย่างนั้นก็เอาอย่างนั้นและอคือยินดีตามมีตามเกิดสักแต่ว่ารู้สักให้ ร, รู้เฉยๆไปเท่านั้นเองถ้ามีสติกําลังมากก็มีสติบัญญามากก็สั่งให้ใจสักแต่ว่ารู้ได้เพราะไม่สักแต่ว่ารู้แล้วมันสะเทินใจขึ้นมา ท, าทันทีมันจะปรุงแต่งเกิดความอยากขึ้นมาทันที กลับเรียนถามพระอาจารย์ครับผมเ อ, อถ้าหากว่าเราละสังโยชน์เนี่ยนะอาจจะได้เป็นบางข้อแล้วก็แต่ถ้าหากว่าไม่ไม่ไม่กลัวเจ็บไม่กลัวตายไม่กลัวแก่เนี่ยนะครับเออ่ไม่ทราบว่าจะจะเป็นยังไงครับผมอาจารย์เอก็อเป็นไม่กลัวก็ไม่กลัวจะเป็นอะไรนะเ อ, อเอาหมายถึงว่าจะจะ จะไปถึงขั้นไหนนะครับพระอาจารย์อก็นี่แค่พูดถึงเรื่องขั้นโสดาบันไม่ใช่เลอละความกลัวความแก่กลัวความเจ็บกลัวความตายได้ก็อันนั้นเป็นขั้นท้าโสดาบันใช่ไหมครับเอฟังไม่รู้เรื่องอันนี้แสดงมาเป็นขั้นขั้นให้ฟังนะครับผมสาธุครับอาจารย์แสดงว่าฟังทำไปใจคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่นะฟ้องตัวเองหรือเปล่าก็ไม่ได้เรื่อง คำถามจากผู้ฝากถามตกค้างค่ะตามที่พระอาจารย์ได้สอนว่าอานิสงส์ของการได้บรรลุเป็นพระโสดาบันหากตายไปจะกลับมาเกิดไม่เกินเจ็ดชาติบุญหรือธรรมจะปกป้องรักษาใจไม่ให้ต้องไปใช้กรรมในอบายนั้น พระโสดาบันท่านจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ทันทีไหมคะหรือต้องไปเสวยบุญก่อนอันนี้มันก็ไม่ได้แสดงไว้อย่างละเอียดในพระไตรปิฎกก็เลยไม่กล้าที่จะไปวิพากวิจารว่าจะไปเป็นเทวดาก่อนแล้วค่อยกลับมาเกิดเป็นมนุษย์หรือไม่ก็ไม่เป็นประเด็นสําคัญประเด็นสําคัญอยู่ที่ว่าไม่เกินเจ็ดชาติของการเป็นมนุษย์ก็แล้วกัน คำถามต่อมาจากคุณชีวิตใหม่คะ่ะการที่เราเคยเรียนรู้กับอดีตครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งแต่ท่านไม่ได้สอนแนวปฏิบัติและท่านก็ไม่ได้บรรลุธรรมที่จะตอบปัญหาแนวทางปฏิบัติได้และการที่ผมขอถอยออกมาเพื่อสแสวงหาอาจารย์ที่สอนแนวทางปฏิบัติเพื่อที่จะรู้แนวทางปฏิบัติคือศีลสมาธิภาวนาปัญญา แล้วผมโดนกระนำว่าเนรคุณและบอกว่าใครเป็นคนทำให้ผมรู้พุทธธรรมสงอยากทราบว่าคนที่ทำให้เรารู้พุทธธรรมสงคนแรกคือใครครับพ่อแม่ใช่ไหมครับผมผิดไหมครับที่ผมออกมาขออาจารย์เมตตาด้วยครับเรื่องของการที่เราจะต้องไปสางหาครูบาอาจารย์ใหม่นี่มันไม่น่าจะเป็นเรื่องเสียหาย เ ร, เรียนจบชั้นปฐมแล้วเราก็ต้องไปหาอาจารย์ระดับชั้นมัธยมต่อไปเพราะอาจารย์ระดับชั้นปฐมเขาไม่สามารถสอนวิชาความรู้ที่อยู่ในระดับชั้นมัธยมได้พอเราจบชั้นมัธยมเราก็ต้องไปหาอาจารย์ระดับปริญญาตรีโทเอกต่อไปตามลําดับอันนี้ไม่เรียกว่าเป็นการเนรคุณมันเป็นการพัฒนาการของการศึกษาร่่มเรียน เช่นคูบาอาจารย์ที่มีจิตใจเป็นธรรมท่านจะไม่เคยท่านจะไม่เสียอกเสียใจว่าลูกศิษย์ไม่มาเรียนกับเราแล้วก็เพราะเรียนจบแล้วอาจารย์สอนได้ท่านี้อย่างพระอาจารพระพุทธเจ้าก็ไปศึกษากับอาจารย์สองลูปถึงขั้นระดับรู้อรูปฌานได้แล้วท่านไม่สามารถสอนนระดับวิปัสสนาได้ไม่สามารถสอนให้ดับความทุกข์ได้ในขณะที่ไม่ได้อยู่ในสมาธิท่านก็ต้องไปหาไปหาคนอื่นก็ไม่มีใครรู้ ก็เลยต้องไปค้นคว้าด้วยตัวเองเจา้าในที่สุดก็ได้พบกับทางที่จะพาไปสู่การหลุดพ้นอย่างท้าวอนอย่างนี้ไม่เรียกว่าเป็นการเนรคุณหรือ อ, กอักตันยูแต่อย่างใดถ้าออกมาแล้วไปตาหนติติเตียนว่ากล่าวว่าอาจารย์นี้ไม่ได้เรื่องเลยสอนเราได้แค่นี้เองอันนี้ไม่ควร เพราะว่าท่านก็รู้ท่านนั้นท่านก็สอนให้เราได้เท่านี้เราก็ควรที่จะมีความสำนึกในบุญในคุณของท่านที่ท่านอุตส่าห์สั่งสอนให้เรามาได้ถึงในระดับนี้ครูบาอาจารย์ท่านก็ไม่ควรที่จะไปห่วงลูกศิษย์ถ้าลูกศิษย์ต้องการที่จะพัฒนาจเจริญไปกว่าที่อาจารย์จะสอนได้อาจารย์ก็ควรจะยินดีปล่อยให้เขาไปเพื่อนเพื่อนลูกศิษย์ด้วยกันก็ไม่ควรที่จะไปมาว่ากล่าวตำหนิติเตียนกัน คำถามจากเ c e b o o k ค่ะคำถามแรกจากคุณมยุรีอินสาขอความเมตตาจากพระอาจารย์ช่วยชี้แนะค่ะคือมีญาติที่นับถือหูเบาฟังความข้างเดียวญาติพี่น้องกันนี่แหละค่ะคอยพูดก่บหูตลอดจนเขาทวงบุญคุณที่เคยทำให้ทั้งหมดคืนที่เคยช่วยเหลือมาเขาไม่พอใจและไม่ฟังอะไรจากอีกฝั่งนูงเครียดมากค่ะ พระอาจารย์ไม่รู้จะทำยังไงดีมีแต่ปัญหาครอบครัวค่ะขอพระอจาจารย์ช่วยชี้แนะค่ะอ๋อง่ายมาก <laughs> หูเบาก็ไปซื้อต้มหูหนั ง, นง <laughs> ทำไงได้ถ้าเขาหูเบาก็เราไปบังคับเขาไม่ได้ไปเปลี่ยนเขาไม่ได้เราก็อย่าไปถือสาเขาก็แล้วกันบุญคุณที่เขามีกับเราเราก็มีความจำเนึกไว้ก็แล้วกัน ส่วนเขาจะทวงคืนก็คืนเขาไปแต่เราก็ไม่ควรที่จะไปมีความรู้สึกที่ไม่ดีกับเขาถ้าเขาหูเบาก็ไปหาลูกตุ้มหนักๆไปตุ้มหูหนังๆมาให้เขาในวันเกิดก็ได้เผื่อหูเขาจะได้หนักไม่หูจะได้ไม่เบาคำถามต่อมาจากคุณชัยวัตรค่ะ ได้ยินมาว่าก่อนตายถ้าได้ฟังคําพระพุทธเจ้าจะละสังโยชน่าได้แบบนี้ถ้าคนนั้นทาชั่วมาตลอดก่อนตายมีคนเปิดคําพระพุทธเจ้าให้ฟังแล้วไปพบภูมิดีก็ไม่ค่อยแฟนะครับขอควัดย่างนี้นั่นสิเขาว่ามาอย่างนั้นแล้วมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่า อ, อย่าไปสักแต่ว่าเชื่อเขาพุทธเจ้าบอกแล้วว่าในการนมาสู่ใครเขาพูดอะไรก็อย่าเพิ่งไปเชื่ อ, อ ต้องไปพิสูจน์ดูว่าเสียงที่เขาพูดนั้นมันเป็นความจริงหรือไม่ฟังได้แต่อย่าไปปฏิเสธปฏิเสธก็ไม่ดีเพราะมันอาจจะเป็นความจริงก็ได้ไปเชื่อแล้วถ้ามันไม่เป็นความจริงก็ถูกเขาหลอกยิ้นอย่าเป็นกระต่ายตื่นตูมพอเขาพูดอะไรก็เชื่อหรือปฏิเสธไปทันทีต้องหาเวลาไปพิสูจน์ดูก่อนแล้วค่อยเชื่อหรือไม่เชื่อต่อไปต่อมาคาถามจากคุณภาวนาค่ะ เมื่อเจอปัญหาหรือเหตุการณ์ที่ทำให้เราเกิดความทุกข์เรามีสติหยุดความคิดใช้ปัญญาคือใช้เหตุผลตามหลักธรรมะมาพิจารณาหาเหตุผลจนใจยอมรับความจริงไม่ทุกข์กับสิ่งที่เกิดขึ้นใจกลับเข้าสู่ความสงบเช่นเมื่อเราเห็นความโกรธขึ้นมาเราใช้สติเฝ้าดูแล้วเรา เราใช้เหตุผลพิจารณาว่ามันเกิดจากความอยากของเรามันเป็นอนัตตาจิตกลับเข้าสู่ความสงบเย็นสบายตัวโกรธดับไปทันทีซึ่งสิ่งเหล่านี้เราพิจารณาในจิตมันเร็วมากความโกรธดับไปทันทีไม่มีการแสดงออกมาคําถามข้อแรกค่ะสติกับอุเบกขาต่างกันอย่างไรเพราะจิต มีความสงบอยู่แล้วเมื่อเจอเหตุการณ์มากระทบจิตปับ๊บสติกับอุเบกขาทำงานไปพร้อมๆกันใช่ไหมคะเวลาเกิดเหตุการณ์เกิดความทุกข์ขึ้นมาเกิดความอยากขึ้นมาอุเบกขาก็จะหายไปจิตเริ่มสัน่นเริ่มเริ่มหวั่นไหวถ้าได้สติกับมาได้ปัญญามาบ่อยวางพิจารณาเพื่อหยุดความอยากได้จิตก็จะกลับคืนสู่อุเบกขาเข้าสู่ความสงบ Mm hmm. คำถามข้อสองค่ะทุกครั้งที่เราเห็นความโกรธขึ้นมาเราก็จะระงับได้โดยวิธีนี้เมื่อเราทําไปเรื่อยๆการพิจารณาจะเร็วขึ้นเรื่อยๆแต่พอแค่ความโกรธจะเกิดขึ้นความเร็วในการพิจารณาก็เร็วจนเกิดขึ้นแล้วดับไปเร็วมาก การที่เราพิจารณาได้แบบนี้เรียกว่าภาวนามย์ปัญญาใช่หรือไม่คะระดับความทุกข์ที่เกิดขึ้นได้ก็เป็นภาวนามย์ปัญญาคาถามข้อสามค่ะความสงบมีหลายระดับกำลังของอุเบกขาจะมีมากน้อยตามระดับของความสงบถูกหรือไม่คะก็ถูกอะความสงบกับอุเบกขามันก็เป็นตัวเดียวกัน ข้อสี่ค่ะถ้าจิตยังไม่สามารถสงบถึงขั้นอัปปนาสมาธิแต่มีความสงบอยู่บ้างเราสามารถฝึกการใช้ปัญญาพิจารณาได้หรือไม่คะฝึกได้แต่อาจจะตัดไม่ได้อย่างเด็ดขาดนะตัดแบบอาจจะตัดไปตามกำลังของความสงบถ้าสงบห้าสิบก็จะตัดได้สักห้าสิบถ้าสงบเต็มร้อยก็จะตัดได้เต็มร้อย ข้อต่อมาค่ะจิตต้องได้ความสงบถึงขั้นอัปปนาสมาธิเท่านั้นจึงจะมีกำลังอุเบกขาที่จะพิจารณาฆ่ากิเลสถูกหรือไม่คะถูกถูกข้อหค่ะจิตที่มีความสงบระดับน้อยกว่าอัปปนาสมาธิเหมือนมีดที่ยังรับไม่คมนั้นแต่เราสามารถใช้มีดที่ยังไม่คมนี้ ค่อยๆฟันไปทีละเล็กทีละน้อยจนสิ่งที่เราฟันขาดออกจากการได้แต่จิตที่ยังไม่สงบถึงอัปปนาสมาธิสามารถค่อยๆพิจารณาฆ่ากิเลสไปเรื่อยๆจนขาดออกจากใจได้หรือไม่ครับก็เป็นไปได้ถ้าถ้าตัดมันขาดได้มันก็ใช้ได้อยู่ที่ว่าจะขาดหรือไม่ขาด ข้อเค่ะเมื่อกิเลสลดน้อยลงไปจิตจะมีความสงบมากขึ้นเองด้วยเพราะกิเลสลดลงไปถูกหรือไม่คะถูกค่ะข้อ8ปค่ะปัญญาที่จะฆ่ากิเลสได้นั้นต้องเป็นปัญญาในระดับของพระอริยบุคคลเท่านั้นถูกหรือไม่คะก็เป็นปัญญาในในใจลักษณ์นี่แหละ พิจนาไตรักกริยาสัตว ส, สก็จะก็จะเป็นปัญญาระดับโลกุตตะละค่ะข้อต่อมาค่ะความโกรธความโลภความหลงจะมีลดน้อยลงไปเรื่อยๆตามขั้นของพระอริยบุคคลถูกหรือไม่คะถูกค่ะคำถามต่อมาจากคุณนิ ช, ชาภาค่ะ ดิฉันปฏิบัติธรรมและเข้าถึงธรรมมาได้หนึ่งเดือนแล้วมีความสงบทางใจมีพฤติกรรมการดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนไปเหมือนคนละคนกับที่เคยเป็นมาปัญหาคือเดี๋ยวนี้เวลาวันเกิดหรือแม้แต่วันเกิดตัวเองก็จะไม่กล่าวแฮปปี้เบิร์ตเดย์เพราะคิดว่าการเกิดไม่น่าจะยินดีเวลาใครตาย ก็ไม่พูดว่าขอแสดงความเสียใจเพราะมันเป็นเรื่องธรรมดาไม่เห็นว่าน่าจะเสียใจเวลามีใครเจ็บป่วยก็ให้กำลังใจให้คิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาร่างกายเป็นรังของโรคพอลูกพอ ล, กลูกจะพาไปเที่ยวไกลๆ ตามลำพังก็ปล่อยเขาเพราะว่าเขาโตแล้วอายุส0 2สิบยี่บห้ายี่สิบอ็ดกันแล้วหากจะมีอันตรายอะไรเกิดขึ้นก็คงเป็นไปตามกรรมเก่าของตัวเองแต่ตักเตือนไว้ให้ระมัดระวังชีวิตตอนนี้เหมือนไม่มีสังคมไม่มีหัวใจไม่มีน้ำใจเฉยเมยสงบอยู่กับการเจริญภาวนาไม่ไปงานแต่งงานงานบูญงานบวชและ ไม่ไปเชียงแมงเพราะคิดว่าคนตายก็เกิดใหม่แล้วไม่ไหวเทพเจ้าไม่ไหวเจ้าพ่อหลักเมืองอาจารย์คะพี่น้องรอบข้างบอกว่าดิฉันขวางโลกหลุดโลกไปแล้วน่าจะไปบวชจะให้มันรู้แล้วรู้รอดแต่สามีไม่อนุญาตคะ่ะสามีก็ปฏิบัติธรรมด้วยเขาเข้าใจดิฉันดีจึงไม่มีปัญหาครอบครัววันหนึ่งเราอาจจะได้บวชพร้อมๆกันจริงๆแล้วถ้า จะเสแส้งทําตามสังคมไปก็ทําได้แต่ไม่อยากทําเพราะไม่ได้ทุกกับความคิดแลคําพูดของคนในสังคมขอความคิดเห็นจากพระอาจารย์เั้ค่ะก็เท่าที่พูดมาก็ถือว่าใช้ได้นะเราไม่ได้ไปสร้างความเดือดร้อนให้กคนคนอื่นและเราก็ไม่เดือดร้อนกับเรื่องของคนอื่นก็ถือว่าก็ไม่มีปัญหาอะไรก็น่าจะก็ดีฟังดูแล้วก็น่า <the> อนา น, นานโมธนาค่คําำถามอาจากคุณวาสีค่ะสีสวรักษ์ถ้าขอไปนิพพานแสดงว่ายังมีกิเลสอยู่ใช่ไหมคะคือยังง่ออยู่เพื่อว่าขอไปนิพพานมันไปไม่ได้มันต้องละ ก, กิเลสเท่านั้นมันถึงจะไปได้ขอขอีกหนึ่งคำถามก็ผมเข้าครับ เกี่ยวกับเรื่องของกำลังเวขากาลังของเวขาที่ขั้นที่มันแอบสูตเลยเนี่ยเวลามีอินพุตเข้ามานะมันมันแปลไหมครับหลวงพ่อมันเฉยมันสักแต่ว่ารยคือไม่แปลใช่มฮะมันมันแปลแต่มันไม่มีปฏิกิริยามันรู้มันรู้สมมุติรู้อะไรหมดทุกอย่างรู้ว่าเขาด่าเรารู้ว่าอะไรต่างๆนะน แต่มันไม่มันมันมันไม่กระเพื่อมมันเฉยเฉยคือคือไม่ไม่ไม่ใช่จําเป็นว่าต้องรู้ว่าแค่เสียงไม่ใช่องั้นใชอไม่อะมันไม่มีปฏิกิริยาแล้วก็เอ่อเวลาที่ที่หลวงพ่อบอกว่าต้องทดสอบกับสถานการณ์จริงเนี่ยหมายความว่าเช่นสมมุติรถคว่ำแล้วเนี่ยในมีสติตอนที่มันจะเราอาจจะใกล้เสียชีวิตหรือว่าไม่เสียชีวิตเนี่ยการที่เอ่เอ ตัดตรงนั้นได้เนี่ยมันจะต้องมีภาวนา ม, มยามปัญญาที่ทํามาก่อนที่ที่หมายความว่าเราได้ได้ตัดส ก, กิัติทิฏฐิตัวนั้นไว้แล้วหรือไหมฮะหลวงพ่อหรือว่าเราืกว่าเกิดในช่วงนั้นเหมือนกับหลวงปู่ชอบเจอเสืออย่างนี้ก็ <c ough> มันทั้งสองอย่างถ้าตัดมาแล้วมันก็สบายมันก็รู bon, แ้ลแล้วว่าทำผ่านแล้วแต่ถ้ายังไม่ผ่านก็คงจะหวังว่าตอนที่เจอข้อสอบจะได้ผ่านอ๋ออาจจะผ่านก็ได้ไม่ผ่านก็ได้ก็แล้วแต่ว่าเราเราเราปล่อยได้หรือไม่ปล่อยไม่ได้ ปัญญาเราทันหรือไม่ทันครับขอบพระคุณครับหมดหมดเอาจะกลับว่าเลยหลานจะติดไปเอาเลยเอาเล เ, าเดี๋ยวจะปล่อยให้กลับบ้านกันทุกคนนะ <c oughs> ะขอให้ท่าน <c oughs> จงคไม่ไม่ต้องอ <c oughs> เดี๋ยวจะไปให้ไฟหมดนะตอนนี้ <c oughs> อขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิจารณาไปปฏิบัติ เพื่อความสุขความจเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอดความจริงมีปัญหาอยากจะถามนะคะงนี้ถามสายไปใช่แล้วเอาไว้เอาไว้วันหลังไม่วันหลังจะขึ้นห